พวกเราต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากหน่อยนะตั้งอกตั้งใจศึกษามันอยู่ที่ว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมะหรือเปล่าเหนะมือนสมัยพุทธกาลนะนาถพินิกาเนี่ยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแท้ๆเลยเวลาไปวัดไม่ค่อยฟังธรรมหรอกัวเดินดูวัดจะซ่อมอะไรจะสร้างอะไรห่วงโน้นห่วงนี้ไปได้จะถามพระพุทธเจ้าก็เกรงใจไม่กล้าถาม กลัวท่านเหนื่อยมากจนแก่นะใกล้จะตายเจ็บหนักแนละ้ให้คนมานิมนต์พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังสารีบุตรมาเทศเรื่องยักทา่าดยกขันให้ฟังเนี่ยท่านร้องไห้เลยบอกว่าทำไมตอนผมแข็งแรงนะ่ไม่เทศให้ฟังสารีบุตรกคงนึกในใจนะเธอไม่เคยอยากฟังเลยไม่เคยคิดจะฟังเลย อนณาทพินทิกาก็ขอร้องพระสารีบุตรว่าต่อไปนี้นะนิมนต์พระคุณเจ้าเทศธรรมาชั้นสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยให้คลาวาดฟังบ้างครวาดที่อินทรีแก่กล้ามีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยสํานวนบาลีครวาดพวกนี้ยังมีอยู่เมื่อได้ฟังก็จะได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาจะเสียประโยชน์นี่พระสารีบุตรท่านก็รับนะว่าจะเทศให้ฟัง หลวงพ่อก็สืบทอดปณิธานมาเทศให้ญาติโยมฟังธรรมะอย่างนี้นะแต่เดิมอยู่ในวงกรรมฐานแท้ๆนะแล้วกรรมฐานไม่กี่คนหรอกที่จะได้ยินน้อยจริงๆเพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านจะสอนเราแต่เมื่อเราพาวนาไปถึงตรงนั้นละ่ะจะไม่สอนล่วงหน้าเลยอย่างหลวงู ด, ดูลนะสอนธรรมะหลากหลาย แต่ท่านสอนธรรมะการปฏิบัติขั้นสุดท้ายไปให้สองคนเท่าให้หลวงพ่อพุทธกับหลวงพ่อไม่ได้สอนทั่วๆไปท่านคงไม่รู้จะสอนทำไมบางคนไม่ค่อยพาวนาเท่าไหร่คนปฏิบัติมันมีน้อยนี่หลวงพ่อเห็นว่าฆราวาสเนี่ยถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะชั้นสูงในการปฏิบัติเนี่ยก็ทำได้ถ้าใส่ใจนะถึงเอามาสอน สอนเรื่สมาธิสมาธิก่อนจะไปเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิซะก่อนแต่สมาธินั้นต้องถูกชนิดส่วนใหญ่ก็พูดกันนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเนี่ยพูดมักง่ายไป น, นิดหนึ่งเพราะสมาธิมีหลายชนิดสมาธิส่วนใหญ่ไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาเนีย่ยสมาธิที่ออกไปรู้ไปเห็นผีเห็นเหวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็ น, นโรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างนี้ ไม่ได้ทําให้เกิดมรรคผลนิพพานนะสมาธิที่สงบลึกเข้าไปจนโลกาธาตุดับนะหมดความรู้สึกตัวอะไรไปเนะี่ยสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรืสมาธิปลอมๆ อ, อย่างที่พวกเรานั่งแล้วก็งอกไปงอกมาแล้วบอกจิตรวมเป็นสมาธินั้นวิชฉาสมาธิยิ่งห่างไกลมรรคผลนิพพานออกไปอีกอยันหลวงพ่อจะจ้ำจี้จ้ำชัยมากนะเรื่องของสมาธิต้องมีสมาธิที่ถูกชนิด สมาธิที่ดนะีมีสองอย่างหนึ่งสมาธิที่เรียกว่าอารามณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอรอารมณ์อันเดียวไม่ขาดสตินะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเลยบางทีเราเข้าสมาธิลึกลงไปนะจนโล ก, กาธาตุดับนะร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือความรู้สึกตัวอันละเอียดอ่อนอยู่ไม่ขาดสติเลย ไม่ไม่มีเลยคำว่าขาดสตินะมีสติตลอดเลยสมาธิถ้าปราศจากสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะทำได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ขอขาดบาดตายมันเหมือนคนเดินทางไกลนะเดินทางสมมติเรจะเดินทางไปเมืองจีนองนี้พวกที่เขามีสมาธินะเหมือนเขานั่งเรือบินไปเขาสบายหรือนั่งเรือไป ตอนไปก็มีถนนนะนั่งรถไปไปแล้วไปค่าที่ไหนก็จอดเข้าโรงแรมอาบน้ําอาบท่ากินข้าวนอนสบายเนี่พวกมีสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนพวกไม่มีสมาธิชนิดพักผ่อนนั้นเดินปัญญารวดไปเลยคล้ายๆไปเมืองจีนนะเดินไปหมดแรงที่ไหนก็ซุกหัวนอนอยู่ข้างถนนข้างทางนั่นแหละข้างป่าข้างเขานะนะั้นแหะถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้แต่มันลําบาก นเวลาที่เราภาวนานะถ้าเรามีสมาธิชนิดที่จิตสงบได้เนี่ยเราได้พักผ่กนอนการภาวนาของเราสบายนะจะราบเรื่นสบายมีความสุขแต่ส่วนมากนะพอได้สมาธิชนิดพักผ่อนแล้วพักผ่อนไม่เลิกพักอยู่ที่นั่นอะไม่ไปไหนเลยหลวงพ่อเคยได้รับคำเตือนเรื่องสมาธิเนี่ยนะปกตินะตอนจเจริญปัญญาแล้วเนี่ยทิ้งสมาธิไปเลย รู้สึกเนิ่นช้าครูบาอาจารย์ท้วงก็เลยมาทําสมาธิทำสมาธิบางทีก็ติดสมาธิพอใจขี้เกียจเดิอดปัญญาสบายท่านก็เตือนบอกว่าคนเรานะอยู่ในที่แห้งแล้งกันดานจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เดินทางไปไปเจอต้นไม้ใหญ่ใบหนานะร่มรื่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วไม่เดินต่อหรอกเมื่อไหรจะไปถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะว่างี้นะ ถ้าเรามีสมาธิชนิดพักผ่อนได้นะเร า, าภาวนาไปพอมันเหนื่อยเราก็มาพักผ่อนใจสบายมีแรงแล้วเดินต่ออย่าไปเนิ่นช้าหยุดอยู่กับที่สมาธิชนิดพักผ่อนเมื่อวานสอนแล้วนะวิธีปฏิบัตินะั้นดูดตัวเองอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอยู่อันนั้นไปเลยนะอยู่อันนั้นแหละดีที่สุด หลวงพ่อสอนเนี่ยดูจะต่างกับปริยัตินิดหนึ่งสังเกตไหมปริยัติจะสอนว่าราคะจริต ธ, ธรรมนี้โทสะจริตธรมนี้โมหะจริตทำนี้แต่ใ น, ในการปฏิบัติจริงมันมีข้อยกเว้นอย่างราคะจริตบางคนที่เมื่อวานเล่านะลูกศิษย์ภาสาริบุตรนะราคะจริตนะไปดูปฏิกูณอสุภะจิตไม่ลงเลยขยะแขยั่งทนไม่ไหวพระพุทธเจ้าให้ดูดอกบัวสวยๆนะจิตรวมได้ งั้นเราดูตัวนี้นั่นหลักสำคัญเนี่ยเราสังเกตตัวเองเาเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างไรแล้วมีความสุขนะแล้วก็เป็นกรรมฐานที่ไม่ชั่วให้มีกิเลสมากแล้วจะดียิ่งกว่านั้นอีกนะถ้าเป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับกายและใจของเราเองอย่างไปนั่งดูพระพุทธรูปดูลูกแก้วดูไฟดูอะไรมันออกนอกสงบเฉยๆนะสบายเฉยๆ แต่จะต่อขึ้นวิปัสสนาเนี่ยยากวิปัสสนาเนี่ยมันต้องย้อนโอปะนิโกย้อนมาดูตัวเองเมื่อันดูออกนอกไปซะชินแล้วนะมันไม่ย้อนมาดูตัวเองลำบากเมื่อไปสังเกตตัวเองนะช่วยตัวเองให้มากหน่อยสมาธิชนิดหนึ่งนะชื่อลักขณูปนิชานลักขณูคือลักษณะหรือลักษณะนั่นเองเป็นสมาธิที่ช่วยให้เห็นไตรลักษณ์ได้เห็นลักษณะได้ สมาธิที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้นะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่จิตสงบนะจิตตั้งมั่นสมาธิชนิดพักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ก็เป็น1จิตก็เป็น1อยู่ด้วยกันอย่างสบายๆมีความสุขสมาธิชนิดเดินตัญญานเนี่ยจิตเป็นหนึ่งคือทําหน้าที่เป็นผู้รู้เท่านั้นเองแต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนอารมณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาอารมณ์นับไม่ท้วนแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูเป็นผู้ดูเท่านั้นมีอะไรให้ดูในกายก็ดูไปมีอะไรให้ดูในใจก็ดูไปไม่เข้าไปแทรกแซงกายไม่เข้าไปแทรกแซงใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจต้องลืมกายลืมใจที่หลวงพ่อว่าย่อหย่อนไป การสุขาริการนิยคหรือว่าเผลอไปตรงแทรกแสงกายแทรกแสงใจเนี้ยตรงเนี้ยตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตะกิลมัท่านยุย o k e นะที่หลวงพ่อไม่เรียกว่าปิเพ่งเอาไว้เผลอกับเพ่งนั่ น, นะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี้ยนะไม่ลืมตัวเองแล้วก็ไม่ได้บังคับเอาไว้นะมันรู้ตัวได้สบายสบายวิธีที่จะฝึกให้เกิดจิตชนิดนี้นะให้ได้จิตมีสมาธิชนิดนี้ วิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่เดิมเราทําไปเพื่อความสุขความสงบให้จิตไปพักอยู่ที่อารมณ์มันั้นคราวนี้เปลี่ยนใหม่เคยพุโทโธเราพุโทโธอย่างเดิมเคยหายใจเราก็หายใจอย่างเก่านี่แหละดูท้องพองยุบก็ดูไปอย่างเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนวิธีดูแต่เดิมนั้นดูพุโทโธดูลมหายใจดูท้องนะน้อมใจเข้าไปหาพุโทโธน้อมใจไปหาลมน้อมใจไปอยู่กับท้อง จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะนะได้สงบได้สบายครานี้ปรับใหม่รู้อารมณ์กรรมฐานทั้งหลายนั่นแหละตามที่เราคุ้นเคยพอรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วคอยรู้ทันจิตความต่างอยู่ตรงนี้ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แต่ว่ารู้อารมณ์กรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นเราพุดโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไปสว่างว่างอยู่เฉยเยเรารู้ทัน หรือเวลารู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยพอใจหลงไปคิดรู้ทันว่าใจไหลไปคิดละมันลืมลมหายใจมันหนีไปคิดในขณะที่หนีไปคิดรู้เรื่องราวที่คิดแต่ลืมตัวเองที่กำลังหายใจอยู่ก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะหรือรู้ลมหายใจอยู่หายใจไปสบายจิตมันไม่ตั้งมั่น จิตมันไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวลมหายใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเวลาไปรู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่อารมณ์นั้นเสมอเลยเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะหาคนที่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยแทบหาไม่ได้เลยยิ่งสมัยก่อนนะหาแทบไม่ได้เลยเมื่อ30มสิบปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนไม่กลุ่มหนึ่งประมาณ10บคน จิตเนี่ยรู้ตัวเป็นแล้วจิตตื่นนะจิตตั้งมั่นลนะพากันไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันครูบาอาจารย์โมงจิตไว่มากเราเข้าไปถึงท่านนั่งฉันข้าวอยู่ท่านหันกลับมาเลยหันมาดูอุทานออกมานะว่าโอ้พวกนี้มันไปรวมกันมาได้ยังไงตั้งเยอะคนที่รู้สึกตัวเป็นสิบคนเนะี่ยท่านว่าเยอะแล้วนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยวัดหนึ่งหรือบางวัดไม่มีสักคนเลย หรือบางวัดมีคนเดียวคือตัวอาจารย์หรือบางวัดอาจารย์ก็ไม่เป็นหายากมากคนที่รู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่จะทำแต่สมาธิชนิดสงบหรือไม่ก็ทำมิจฉาสมาธิไปเลยนั้นเราเราต้องมาฝึกนะตัวนี้ตัวสาคัญที่สุดเลยจะได้มักได้ผลหรือเปล่าก็คือมีลักขณูปนิชานไหมมีสมาธิที่จะไปเห็นไตรลักษณ์ได้ไหมนั้นทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบนะ เบื้องต้นรักษาศี่ห้าไว้ก่อนใจจะได้ไม่ฟุง้งซ่านแล้วทุกวันทําในรูปแบบจะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยบก็ได้ทําจังหวะขยับไม้ขยับมือจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือจะดูจิตดูใจก็ได้นะกรรมฐานอะไรก็ได้ดูเวทนาก็ได้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเมื่ อ, อไรจิตมันพลากออกไปจากอา ร, รมณ์กรรมฐานนั้นมันหนีไปจากอา ร, รมณ์กรรมฐานนั้น ให้รู้ทันว่ามันหนีไปอย่าไปบังคับว่าห้ามหนีถ้าบังคับเมื่อไหร่จะเกิดตัวรู้จอมปลอมจะแน่นแแข็งแข็งตัวรู้ที่ดีเนี่ยเกิดจากการรู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันจิตซึ่งไหลไปจิตซึ่งเคลื่อนไปหลวงพู่ดูลถึงสอนนะบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้จิตมันจะไหลไปในความคิดเนี่ยจะไม่รู้สึกตัว ตรงที่มันรู้ทันว่ามันคิดไปปุ๊บจะรู้สึกตัวขึ้นมาความคิดจะดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนแต่ท่านสอนต่อนะอย่าไปห้ามความคิดนะต้องอาศัยความคิดเพรอจิตมันคิดไปจิตมันเคลื่อนรู้ทันมันก็ตั้งมั่นคิดอีกเคลื่อนอีกรู้ทันอีกตั้งมั่นอีกตั้งขึ้นมาเป็นขณะขณะขณะสมาธิอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะมีคณิกะสมาธินี่ก็ทำมรรคผลนิพพานได้แล้วไม่จําเป็นต้องอัปนาหรอก นะถ้าได้อัปปนาสมาธินะจะต้องเก่งในการดูจิตนะถึงจะไปเดินมิปัสสนในฌานได้หรือได้อัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิแล้วต้องมาดูกายนะถึงจะทํามรรคผลนิพพานได้นะแต่ถ้าพวกเราเข้าสมาธิลึกๆเข้าอัปปนาไม่เป็นนะีใช้คณิกาสมาธิแค่นี้ก็พอละยไม่ต้องฝืนสังขาร น, นะว่าจะต้องเอาไว้ได้นะ ไม่ันไม่ได้มันก็ไม่ได้เลยบางคนต้องคิดว่าต้องได้อัปปนาก่อนนะชาตินี้ยังไงก็ไม่ได้อัปปนาเงัอนเลยไม่ได้ทํำมิปัสนาสติคล้ายๆเจอเหมืองทองอยู่ต่อหน้าแล้วนะไม่มีรถแม็กโคไม่เอาไม่ขุดต้องได้รถแม็กโครก่อนมีจอบอันเดียวขุดไม่ได้นะวิธีฝึกนะทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแต่ไม่บังคับจิตนะจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ หลวงพ่อเตียนบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเนี่ยมันคิดไปพอรู้ทันปุ๊บแมวตีหนูตายไปแล้วเดี๋ยวหนูตัวใหม่มาอีกแมวก็วตีหนู้อีกนะนเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปเรยดีกว่าไม่เผลอเลยถ้าไม่เผลอเลยเนี่ยคือเพ่งเอาไว้แน่นอ น, นเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะพยายามฝึกไปทุกวันทําในรูปแบบสัก15นาทีไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำกรรมฐานไป จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปได้สองลักษณะหนึ่ไหลไปหาอารมณ์ภายนอกไหลไปดูรูปไหลไปฟังเสียงไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจไหลได้6ช่องแต่ว่าช่องที่ไปบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดนะงั้นถ้าเราเล่นช่องไหลไปคิดเนี่ยเอาเป็นช่องเดียวก็พอละส่วนใหญ่มันไหลไปคิดทั้งวันแหละใจหนีไปคิดแวบรู้ทันแวบรู้ทันจะดูได้บ่อยมากเลย จะรอให้ไหลาทางตาต้อห ล, ลับตาอยู่ไม่ยอมไหลเลยแต่ว่าหลับตาอยู่ใจไหลไปคิดได้ไหมลองหลับตาซิคิดไหมอย่าหลับจริงๆนะชิดไหมอุ่นหูไว้มันก็คิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่องใจคิดเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยให้เรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะถ้ามันจะรู้สึกตัวได้ทีทีเดี๋ยวก็แวบรู้สึกแวบรู้สึกอย่างนี้นะ มันไหลได้สองแบบหนึ่งไหลไปหาอารมณ์ต่างๆซึ่งไหลไปคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดบ่อยที่สุดอันที่สองไหลไปเพ่งอารมณ์ดูท้องก็ไปเพ่งท้องดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจแล้วเกือบร้อยละร้อยเลยนะของนักปฏิบัติน่ะไปเพ่งทั้งหมดเลยรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจบางคนไปเพ่งท้องเดินจงกรมเพ่งเท้าบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเพ่งร่างกายทั้งร่างกายนะเหมือนกับจิตมันอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมองลงมาเห็นร่างกายทั้งตัว เห็นหมดเลยน ะ, จะใจจะทือๆใจจะนิ่งๆทื่อๆ อ, อย่างเนี้ยปลอมนะจอมปลอมไม่ใช่ตัวรู้จริงหรอกมันจงใจบังคับตัวเองมากไปงั้นฝึกตัวนี้ให้ได้นะฝึกทุกวันใจไหลเรารู้ไหลเรารู้เราจะได้จิตที่ตื่นเึ้นมาเมื่อได้จิตที่ตื่นแล้วเนี่ยปฏิบัติต่อไปในรูปแบบนี้แหละ ปฏิบัติไปเห็นร่างกายมันนั่งอยู่หรือเห็นร่างกายมันเดินอยู่หรือเห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูนะบางคนเนี่ยนะพอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาปุ๊บขันห้าเนี่ยกระจายตัวแตกออกทันทีเลยแยกออกทันทีเลยที่จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอันนี้พวกที่เคยภาวนาเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆนะพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บเนี่ยขันจะแยกออกเลยร่างกายส่วนร่างกายสุขทุกข์ส่วนสุขทุกข์ ดีชั่วส่วนดีชั่วรู้ส่วนรู้แยกกันออกมาแต่บางคนเนี่ยปัญญนสีย่อนหมายถึงว่าไม่ได้สะสมปัญญามามากพอพอรู้ตัวแล้วมันรู้เฉยเลยถ้ามันรู้เฉยเนี่ยต้องช่วยมันแยกขันช่วยมันแยกขันวิธีแยกขันนั่งมันอย่างเดิมนี่แหละเดินมันอย่างเดิมนี่แหละแล้วค่อยๆสังเกตไปละใครมันนั่งร่างกายมันนั่งใครเป็นคนดู ใจมันเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปใครมันหายใจออกร่างกายหายใจออกใครมันหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยๆสังเกตไปนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ร่างกายเป็นคนทํานะใจเป็นคนดู <c oughs> ถ้าได้ตัวรู้แล้วนะขันมันแยกเองนะดีถ้ามันไม่แยกช่วยมันแยกนั่งไปก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันยืนมันเดินมันนอนใจเป็นคนดูร่างกายให้ใจออกให้ยใจเข้าใจเป็นคนดูนี่ดูร่างกายเรื่อยๆใจเป็นคนดูนัดูไปสักพักหนึงความทุกข์มันจะเกิดขึ้นในร่างกายเอี่ยงเรานั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวความทุกข์มันก็มาเราก็จะเห็นเลยเออความทุกข์มันมา แต่เดิมร่างกายนั่งอยู่ไม่ทุกข์ความทุกข์มาที่หลังเพราะงความทุกข์กับร่างกายนี่คนละอันกันจิตก็เป็นคนดูความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความทุกข์ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้าพอมันทุกข์ขึ้นมาต้องอดทนนิดนึงนะหัดใหม่ๆที่จะแยกขันทุกข์ก็ให้มันทุกข์ไปให้มันทุกข์มากๆแล้วค่อยๆสังเกตความทุกข์อยู่ที่ร่างกายนะความทุรนทุรายจะเกิดขึ้นที่จิต เช่นชักกังวลแล้วอุ้ยนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะเดินได้ไหมจะเป็นอัมพาตไหมจะเป็นโน่นเป็นนี่ไหมนะให้รู้ทันเลยใจเริ่มฟุ้งซ่านแล้วใจเริ่มไม่สบายใจแล้วนะอยากเปลี่ยนอิรียบทแล้วเนะี่ยให้รู้ทันความรู้สึกความปวดเมื่อยอยู่ที่ร่างกายนะความวุ่นวายอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความวุ่นวายใจนะกับความปวดเมื่อยเนี่ยคนละอันกันมันเป็นขันอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงของจิต แล้วเราก็จะเห็นอีกว่าความทุรนทุรายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตด้วยฝึกนะตัวนี้สำคัญนะถ้าคนไหนบารมีมากมันแยกเองถ้าไม่แยกต้องช่วยมันแยกหลวงตามหาบัวเคยพูดนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะเนี่ยฟันธงขนาด น, นี้เลยนะแล้วตรงกับปริยัติ เ, เลยการเจริญปัญญาในปริยัติเนี่ย ปัญญาอันแรกเลยนะชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปแยกนามรูปมันนั่งอยู่นามคือใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนามแล้รูปมันยังแยกออกไปได้อีกนะยรูปมันยแยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อีกเป็น4อันนามก็แยกได้4ี่อันคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณคือตัวจิตได้สี่เหมือนกันสี่ต่อสี่นะรูปมีสี่ นามีสี่นะรูปก็ตั้งอยู่ในช่องว่างเรียสเปซเรียอากาศสธาตินะพอแยกแล้วทำไมต้องแยกแยกเพื่อให้เห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันนะั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะั้นเราดูเกิดดับยากนะดูเกิดดับยากถ้ามีอันเดียวเนี่ยเห็นเกิดดับง่ายอย่างปลาอยู่รวมฝูงใหญ่ๆตั้งหมื่นตัวนะถูกปลาอื่นมากินไปตัวงเราดูไม่ออกอ่ะ มันเยอะเกินดูไม่ออกถ้ามีปลาว่ายอยู่ตัวเดียวนะถูกปลาอีกตัวหนึ่งมางับออกไปในะเห็นเลยว่าตัวเนี้มีอยู่เราหายไปแล้วเมื่อเราดูทีละอันตัวไหนเด่นขึ้นมาในขณะนั้นรู้ตัวนั้นเราจะเห็นว่าตัวนั้นเกิดแล้วก็ดับตัวนั้นเกิดแล้วก็ดับเะฉะนนการแยกธาตุแยกขันนะเป็นเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พอแยกธาตุแยกขันได้ก็จะเห็นนีแต่ละธาตุแต่ละขันแต่ละธ า, าตุคือธาตุอะธาตุดินน้ําไฟลมแต่ละขันคือเบทนาขันความสุขทุกข์สัญญาขันความจําได้หมายรู้สังขารขันความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณขันจิตหรือความรับรู้นั่นเองแต่ละอันเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับ ความโลภเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับความหดหู่เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้รู้อีกอย่าเงี้ยเกิดดับตลอดเวลาในที่สุดปัญญามันจะแก่รอบนะมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดส Jae ิ่ man, อสองนั้นก็ดับไปแม้แตต้องแยกมาดูทีละอันได้ แล้วอันไหนเด่นก็รู้อันนั้นไม่ใช่พอแยกแล้วก็ไปจ้องอยู่อันเดียวไปรอดูอยู่อันเดียวอย่าไปรอดูมันนะอันไหนเด่นก็รู้อันนั้นแหละนะเช่นร่างกายมันเคลื่อนไหวแรงๆขึ้นมาเรารู้สึกในร่างกายเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราแล้วนะใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะได้ยินเสียงคนเขาตาใจมันโมโหขึ้นมาเนี่ยคราวนี้ลืมร่างกายแล้วแทบจะชกหน้าเขายังไม่รู้เลยนะ เห็นความโกรธมันพุ it, ่งพรวดขึ้นมาความโกรธมันเด่นยิ่งกว่าร่างกายแล้วก็เห็นความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยดูอย่างนี้นะตัวไหนเด่นเนดูตัวนั้นนะไม่ได้จงใจว่าจะไปดูตัวใดตัวหนึ่งนะในขั้นเจริญปัญญาแล้วจะไม่จงใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปธรรมที่ปรากฏก็สอนธรรมะเรานามธรรมที่ปรากฏก็สอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนเหมือนเหมือนกัน ในขั้นเจริญวิปัสสนาไม่ใช่การดูกายในขั้นเจริญวิปัสสนาไม่ใช่การดูจิตไม่ใช่การดูเวทนาไม่ใช่การดูรูปธรรมนามธรรมแต่เป็นการดูไตรลักษณ์ของสักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเห็นร่างกายเห็นรูปธรรมนะก็เห็นไตรลักษณ์เห็นความสุขทุกข์ก็เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นความดีความชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ เห็นจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใตรลักเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริ้มรถวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายนะวิ่งไปวิ่งมาก็กลับมาคิดอีกอย่างนี้นะหมุนเวียนไปเรื่อยแล้วมันเป็นเองจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้จิตมันเป็นไปเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห้ามความคิดนะที่ห้ามคิดห้ามคิดอะเป็นไปไม่ได้หรอก จิตแต่ละคนมันมีพลังนะจิตที่ดีนะั้นไปสัมผัสกับวัตถุนะวัตถุก็มีพลังที่ดีจิตที่ไม่ดีไปสัมผัสอะไรก็มัวไปหมดนะั่นพวกเราพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะทําจิตของเราให้สว่างสวัยเข้าใกล้ใครก็เขาก็สว่างไปด้วยนะอย่าเข้าใกล้ใครเขามืดไปด้วยลนะนะหรืออยู่ในบ้านเรานั้บ้านเราสว่างนะกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างจิตเราสว่าง ถ้าใจเรามืดน่ยอยู่ที่ไหนก็มืดหมดแล้วงันพยายามนะยามรู้เท่าทันจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปเรารู้นะพอรู้ได้เราใจตั้งมั่นขึ้นมาถ้าขันมันแยกก็เห็นขันแต่ละขันแสดงใจรักถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกอย่างวิธีที่บอกให้นั่งนานๆไปเดินนานๆไปให้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นอีกขันหนึ่ง จิตใจกระสับกระสายขึ้นมาก็เป็นอีกขันนึงค่อยๆแยกไปแล้วจะเห็นว่าทุกๆตัวนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะว่ารูปที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปความสุขทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลอกุศลโลภปลดลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตเองเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตชั่วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์หมุน เวียนเกิดดับเห็นซ้ําแล้วซ้าอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเห็นไหมใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องว่าสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดแล้วนะมันกลายเป็นการรู้รวบยอดว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละต้องดับแน่นอนทุกสิ่งเกิดเกิดขึ้นมาทุกสิ่งนั่นแหละดับทุกสิ่งเลยนะปัญญาที่จิตมันเกิดตรงนี้นะ เป็นปัญญาชั้นสูงจะเข้าสู่โลกุตต ร, olha, ตรนะปัญญาเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาก่อนจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็ดูทีละสิ่งรอบเกิดแล้วรอบดับโกรธเกิดแล้วโกรธดับหลงเกิดแล้วหลงก็ดับดีเกิดแล้วก็ดีดับนะชั่วเกิดแล้วชั่วก็ดับสุขทุกข์เกิดแล้วดับดูซ้ําไปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับ นั่งอยู่เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิรยาบถแล้วเนี่ยดูไปเรืเห็นแต่ของที่มันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเรื่อยถึงจุดที่จิตมันฉลาดนะมันจะสรุปเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดนั่นแหละดับหมดเลยเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะจะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันจะรู้ว่าอย่างกินจิสมูทายธรรมางสพันตงังนิโรธธรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลอนะดับเป็นธรรมดาจนะาเห็นภาพรวม และจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะในกายนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอมตะในจิตใจนี้กระทั่งจิตใจก็เกิดดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บอกใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนอย่างนี้ในพระใจปิโดผูด้เทใเจ้าก็สอนจิตเกิดดับตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนกนะ็เรียนให้ดีนะเราจะได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้ดับถ้ายังมีเหลือตัวหนึ่งเที่ยงอยู่ต้องเป็นปุถุชนแน่นอน เพรายังสงวนสิ่งหนึ่งเป็นตัวเป็นตนอยู่เป็นของเที่ยงอยู่งั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าจิตเที่ยงนะต้องรู้นะว่าปุถุชนแน่นอนนะถ้าเป็นพระรยาบุคคลตั้งแต่โสดาขึ้นไปจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นอย่างนี้นะส่วนพระอราหันตะ์จะแตกฉานในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับโสดาสกทาคานาคาจะแจ่มแจ้งเลยเรื่องสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอราหันต์จะรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับอย่างแจ่มแจ้ง ความจริงโสดาก็เริ่มเห็นแล้วล่ะสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแต่เห็นแบบเดียวนะพระรหันต์จะเห็นนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นคือพระนิพพานนั่นเองที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าแจ้งในพระนิพพานนะทำนิพพานให้แจ้งนะคือเห็นชัดนะเห็นอยู่ได้ตลอดที่นึกถึงที่มานาสิการถึงก็เห็นเลยงั้นพวกเราฝึกนะสรุปหนึ่งรักษาศีล5้าไว้สองต้องทาในรูปแบบนะ เวลาทำในรูปแบบพอทำกรรมฐานว่ายผ้าส่วนมนก่อนว่ายครูซะหน่อยแล้วก็ทํากรรมฐ า, านอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตหนีไปคิดรู้ทนันจิตหนีไปเพ่งรู้ทนันพะอได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วขันมันแยกได้ก็ดูขันแสดงใจรักถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกนะทําอย่างนี้แหละนี่พอเจริญปัญญาเห็นเกินดับไปพักหนึ่งเหนื่อยเนื่ยกลับมาทําความสงบพักผ่อนนี่สมาธิชนิดสงบเอาไว้ใช้ตอนนี้นะไว้พักผ่อน พักผ่อนทำไงพุโทโธพุโทโธไปก็ได้พักผ่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดแต่พุโทโธวันเดียวอยู่ในอารมณ์นันเดียวก็ได้พักผ่อนลองหายใจเข้านะหายใจเข้าแล้วกลั้นลมหายใจไว้นิดหลับตากลั้นลมรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกที่นิ่งๆอยู่อันนึงเ น, นี่ยเวลาเราอยู่กับโลกมากๆเราต้องการเอาพอละเดี๋ยวติดสมาธินี่เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะ <laughs> เวลาเราเหนื่อยๆนะสมมติเรา ประชุมทั้งวันเลยเหนื่อยเต็มทีแล้วใจจะไม่ไหวแล้วนะกลั้นลมอึ๊บจับที่ความรู้สึกนิ่งๆ น, นะสักครู่หนึ่งถอยออกมาเนี่ยมันเหมือนเหมือนได้พักมาครึ่งชั่วโมงลนะะเป็นวิธีทําสมาธิแบบง่ายๆนี่หลวงปู่เทศสอนให้เป็นวิธีสําหรับพวกเข้าชานไม่เป็นเอาหางๆมันหน่อยนะนะได้หน่อยหนึ่งก็ยังดีอ้าไปกินข้าวไปนนี่หมดเลยครับ